ขณะนี้เราก็มาถึงสถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีละขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าบอกตามตรงว่าพวกเราต้องมีบุญกันทุกคนเลยนะอนุทนาจริงๆชื่นชมว่ามีโอกาสได้มายังสถานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจา้าของเราอันนี้เป็นที่เผา ไหวพระเพิงก็คือเผาพระ อ, องค์เมื่อปรลิมิพานแล้วพวกเหล่ามรลคกษัตริย์เนี่ยก็เคลื่อนพอระสลีละของพระ อ, องค์มาอย่างที่นี่สถานที่นี่ก็เป็นที่สําคัญของชาวมรรคกษัตริย์เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเขาแสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็มีความสําคัญต่อเหล่ามัรรคกษัตริย์มาก ก็เอาพระองค์มาเผาในสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ข, ของพวกเขาก็พอดีพระมหากรสปะก็มายังกุชินาราพอดีก็มาร่วมที่ที่เผาที่เรามาเราก็ได้ข้อเตือนใจอันนี้ก็ทําให้เกิดความสังเวชคําคว่าสังเวชก็หมายถึงกระตุ้นเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เราระลึกถึงธรรมะขึ้นมา แล้ลึกถึงความจริงขึ้นมาแล้วลึกถึงสัจธรรมขึ้นมาเพราะตามปกติเราไม่ค่อยนึกเท่าไหร่ไปร้านอาหารก็นึกถึงแต่อาหารนึกถึงแต่การรับประทานนึกถึงความอรเด็ดอร่อยของอาหารนึกถึงความอิ่มความสบายภายในร่างกายของเราเองแต่พอมายังสถานที่แห่งเนี้มันแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมา ระลึกถึงพระธรรมคําคสอนของพระองค์ขึ้นมาโดยเฉพาะมาละลึกถึงว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์สร้างบา ร, รมีมากมายมหาศาลประมาณไม่ได้จริงๆรการที่บุคคลคนหนึ่งเนี่ยจะตั้งความปรารถนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์ของตัวเองแล้วก็เพื่อประโยชน์ของชาวโลกอย่างมหาศาลเนี่ยแสดงว่า ต้องพัฒทยจิตใจเนี่ยต้องเตรียมล้นด้วยความเมตตาจริงๆเพราะว่ามันต้องสร้างบารมียาวนานมากทนทุกข์ยากลำบากแต่ด้วยความปรารถนาที่แรงกล้าที่อยากจะช่วยมนุษย์และก็เทวดาทั้งหลายเนี่ยให้ออกจากทุกข์เนี่ยเพื่อช่วยสัตว์โลกทั้งหลายให้ออกจากทุกข์เนี่ยมันมีกำลังมากมีหลายหลายคน ที่ตั้งความปรารถนาแล้วก็สร้างบา ร, รมีเหมือนกันแต่ว่าพอไปเจออุปสรรคไปพบความทุกข์ยากลำบากตกตกนรกหมกไหมเพราะการกระทําของตัวเองก็เห็นทุกเห็นโทษว่าโอ้โหทาเวียนเกิดเวียนตายอยู่อย่างนี้มันไม่ไหวหรอกเอาเอาให้มันพ้นพนไปก่อนดีกว่าเนี่ยก็เลิกล้มความตั้งใจ แม้ในปัจจุบันก็มีเยอะที่เปลี่ยนความตั้งใจอันนี้แต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความหนักแน่นมีความมุ่งมั่นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าจึงฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นจนกระทั่งตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าของเราอันนี้ก็นับว่าเป็นสิ่งที่หาได้ยากอันหนึ่งที่เราได้พบแล้ว ที่บังเกิดขึ้นแก่เรามีการ น, นึ่งต์ที่พระองค์บอกว่าก็คือการเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความสาคัญด้วยเป็นสิ่งที่หาได้ยากที่สุดเหมือนกันบางทีเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราคิดว่าเราเนี่ยโอ้โหมันคงง่ายนะแต่ว่าพระพูธ้ธเจ้าทรงกล่าวกับพิจิุทั้งหลายว่าดูก่อนพิจิุทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์นี่แสนยาก เขาคงก็อุปมาว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายถ้ามีเต่าตาบอดตัวหนึ่งลอยอยู่ในทะเลในทะเลมหาสมุทรที่ใหญ่กว้างใหญ่นั่นแหละแล้วก็มีแอกอันหนึ่งแอกนี้คือไม้ที่มันโค้งๆอ่ะเอาใส่คอคอวัวนะเพื่อที่จะให้มันลากเกวียนไปในสมัยนั้นใช้แอกท่านก็บอกว่ามีแอกด้วยแล้วก็มีเต่าตาบอด ต่งก็ลอยอยู่ในทะเลเป็นไปได้ไหมที่แอกนั่นอนะ่ะมันจะมาสวมพอเต่าบังเอิญมันพอดีกันเลยลงตัวเลยว่าแอกนั่นมาสวมพอเต่าพระก็ตอบเป็นไปได้พระเจ้าข่าแต่ยากพระเจ้าว่าเออยากมากการที่แอกมันจะมาสวมพอเต่ายากแต่ว่าการที่เกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นมนุษย์ยากยิ่งกว่านั้นอโหแสดงว่าเป็นมนุษย์ยากมากเลยนะ ใครอยากรู้ว่าสภาว่าความเป็นมนุษย์อยู่หยุตรงไหนก็คือตรงที่มีสติรักษาใจได้ถ้าใจใครปกติได้นั่นแลหละใจเป็นฉีดใจมีความปกติถ้าสามารถรักษาความเป็นปกติได้แสดงว่าพร้อมที่จะเป็นมนุษย์แต่ถ้าหาว่าเดี๋ยวก็โกรแล้วนี่นใจไปลงระบายแล้วนะเป็นสัตว์รบายทันทีเลยนะเดี๋ยวก็รูบแล้วเอาลงระบายอีกแล้วเดี๋ยวโมือลอยอีกแล้วอันนี้ลงระบายอีกแล้ เนี่ยมันรวดเร็วอย่างนี้หนะ้าพวกอบายภูมิเนี่ยผู้เล่ายังสอนไม่ให้ประมาทเลยนะเพราะมันยากมากแต่ว่าเราก็คิดว่าเอ้ยเป็นมนุษย์นี่ยมันสบายสบายสบายสบายนั้นคือประมาทแล้วเพราะ่าสติแล้วสติไม่สามารถจะควบคุมจิตใจให้มีสีนได้แล้วแล้วสีเนี่ยก็หมายความว่า สติมันควบคุมจิตได้เวลามันมีเจตนาที่จะไม่ดีอ่ะมันรู้ทัน่แล้วก็หยุดได้ไม่ได้ทำาชั่วตามที่เรามีเจตนาขึ้นมาในจิตต้องไปทันมันด้วยไหมถ้าไม่ทันนี่มันเดี๋ยวมันจะทำแล้วเอาเอาง่ายๆยืนตัวหนึ่งมันมากัดเราเนี่ยกัดแล้วเราอยากจะฆ่ามันี่ยอยากเราอยับย่างมันได้ไหมทันมันไหมถ้าทันเราแสดงวันนั้นแหละ ศีลเราบริสุทธิ์แน่ๆเลยผลการที่จะมีศีลนั้นต้องมีสติสัมปชัญญะด้วยนะเพราะว่ามันไปนทันเจตนาที่ไม่ดีนั้นแล้วมันละเจตนาที่ไม่ดีได้จิตใจก็เป็นปกติได้แล้วก็เป็นศีลขึ้นมาผลการเป็นมนุษย์นีมก็ยากแต่พระพุทธาศาสนาก็ยากเพราะว่าพระพุทธเจ้ากว่าที่จะบรรลุตัสรุเป็นทงเจ้าได้ต้องสร้างบา ร, รมียาวนานมาก แล้วเมื่อแต่พระองค์อุบัติขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่บางพวกไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังธรรมะของพระองค์เลยนะไปเกิดต่างประเทศอย่างเนี้ยในดินแดนที่มันไม่มีพุทธศาสนาเข้าไปถึงเลยอะ่ะเขาว่านะับถือผู้ปีศาจต้นไม้ภูเขาเหมือนอย่างที่พระเจ้าสอนเอาไว้ไม่มีผิดเลยนะงมงไงไปดูว่านับถือพระเจ้าอะไรไปพระเจ้าก็หมายถึงเนี่ยพวกเทพพวกหนึ่งอะไรตายแล้วไปอยู่กับพระเจ้าพวกผมบ้างพวกเทวดาบ้าง พนี้มีอนุภาพบ้างเหมือนกันเนี่ยเวลาไปอ้อนวอนไปนับถือเขาก็ช่วยเหลือได้บ้างแต่อนุภาพมันนิดเดียวก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยหน่อยให้สมความปรารถนาไปบ้างว่าไปเส่นไปไหวแล้วพวกนี้เขาพอใจขึ้นมาเขาก็ช่วยเหลือได้แต่อนุภาพไม่เหมือนอนุภาพของพระพุทธเจ้าพระเจ้าของเขาก็คือเนี่แหละพวกเทวดาบ้างครุมบ้างตายได้ไปอยู่กับพวกพระเจ้าของเขาเนี่ยแล้วก็พวก พวที่ไปเป็นพระเจ้าเนี่ยเขาก็เคยเป็นมนุษย์นี่แหละเขาก็เคยเขาลบนันถือแบบเดียวกันแล้วก็เลยไปตอนนี้เขาไปอยู่แถวนั้นแล้วนะแล้วก็พอใจว่าเออมีมนุษย์เนี่ยเขาลบกลบบับไหว้เขาเห็นพวกเดียวกันเนี่ยเพราะนั้นการที่มีพทบพงทธศาสนาได้ยินฝั่ฟังดูที่ธรรมะของพระองค์ลึกซึ้งมากเลยนะบอกทางออกให้หมดเลยนะ ทางออกเพื่อที่จะไม่ให้มีทุกข์เนี่ยหรือว่าให้ชีวิตมันดีขึ้นมาเอาแค่ว่าเรามาเนี่ยเรารู้ทางเลยว่าจะทํายังไงชีวิตเราดีขึ้นมาได้แค่นี้มันก็เปลี่ยนแล้ะเปลี่ยนจากผูุ้ชอนธรรมดาเป็นกัละยาณ์ผูุ้ชนะปูน้ปุชชนชั้นดีแล้วชั้นเลิศขึ้นมาแล้วพบทางออกแล้วรู้ว่าจะทํายังไงชีวิตจะดีขึ้นมาแค่มันเจริญขึ้นนเรื่อยๆความเสื่อมให้มันน้อยลงไปให้มันมีแต่ความจเจริญขึ้นเรื่อยๆแค่นี้ชีวิตเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้ว แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใช่เพราะในชาตินี้เท่านั้นชาติต่อต่อต่ อ, ตอไปด้วยแล้วต่อต่อไปมันก็มีความหวังด้วยว่าเออ พ, อพระผู้ทีเจ้าเนี่ยท่านตัดสรุปได้ท่านพ้นทุกข์ได้เรารู้ทางแล้วเราได้ยินได้ฟังทางออกตามที่พระ อ, องค์ประทานเอาไวให้แล้วเราก็มุ่งที่จะเดิเนตามชาตินี้ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรากําลังเดินทางเชื่อเอาก้าวขาไปทีมันก็ใกล้เข้าไปจุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยเรื่เ่อยอนี่ก็ใช้ได้แล้ว เมื่อไปพบผู้นาสนาแล้วพง์ก็บอกว่าอีกอันหนึ่งที่หายากที่สุดในโลกก็คือเป็นผู้มีศรัทธาบางคมพบแล้วไม่มีศรัทธาเลยไม่ศรัทธาและอดีต ก, ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ในครั้งนี้นะในอดีต ก, ก็มีไม่ศรัทธามาสอนลุกมาให้ทำบุญมาให้ทาน ทายทานก็อยากจนเพราะคิดตามวาความทิดขงเขาอะเพราะเขาไม่สามารถเข้าไปรู้กฎธรรมชาติได้ เ, เอพุทธเจ้ล่วงรู้กฎธรรมชาติยิ่งให้ก็ยิ่งเพิ่มถ้าให้แล้วมันมีเหตุมีผลน่ะให้อย่างถูกต้องตามคำสอนของพระองค์เมื่อมีศรัทธาแล้วอันที่สี่สิ่งที่หายากที่สุดในโลกก็คือการได้บรรพชาหรืออุปสมบทแต่ของเรานี้ ถ้าบรรพชาอุสมบทแต่วนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้บวชใจอ่ะเราคิดดูกันแล้วกันมันมีคุณค่า ต, ตรงไหนแค่เอาผ้าเหลืองบาห่มอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไอนชนิดผ้าห่มผ้าเหลืองห่มกายคุมกายมันเยอะเลยนะมันรู้เลยว่าผู้เจ้าสอนอะไรนี่ก็ประสงค์อะไรเนี่ยมันน่าเสียดายมากมเลยนะแต่พวกเราเนี่ย ถึงไม่ได้บวชกายแต่ว่าเราบวชใจได้ปฏิบัติเนี่ยเอาใจเราบวชเลยเอาใจเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเลยใจมีทางออกเลยเพาะฉนสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าไม่ใช่หมายถึงแต่พระนะหมายถึงผู้ที่สามารถประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์แล้วก็ บรรลุตามพระโอษฐ์ไปตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลสกิทาคามีอนาคามีพระอหลานนี่เป็นสาวัคสังโฆหมดเลยอย่างพวกเราที่มาเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันนะมีนะมไม่ใช่เลยมีนะเอมีทุกชั้นทุกภูมิแหละอย่างน้อยก็อา้าวกา ร, ระยาณาปุถุชนแม่ปุถุชนที่ดีขึ้นมาแล้วโสดาบันบุคคลสกิทาคามีบุคคลอนาคามีบุคคลพ่อหลานเนี่ย ก็เป็นได้เป็นที่จิตไม่ใช่ตื่นที่ร่างกายอ่ะแล้วไปมองดูกันเฉพาะภายในไม่ได้หรอกแต่ภายนอกนั้นก็ให้มันถูกต้องดีงามไปก่อนอเพราะมันเป็นทางที่ออกที่ดีแล้วผู้เจ้าก็สอนให้ทําดีซะ ก, ก่อนทําถูกทําต้องแล้วก็ดําเนินไปภายในนี่ใครรู้หรอือขึ้นอยู่นอกจากว่าเออผู้ที่มีธรรมะเหนือกว่าพูดคุยกันแล้วก็รู้ได้ว่าเอออันนี้ภูมิจิตภูมิธรรมไปถึงไหนแล้วอยู่ใน เพศขลาวาสก็ตามเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามมันก็เป็นได้เนื้สาวะกระสังโฆสงสาววองของเนืยอผาพใหญ่ก็คือบวดใจอันสุดท้ายการได้ฟังพัสสัตธรรมพัสสัตธรรมนี่ที่เราฟังเป็นพัสสัตธรรมพรสสัตธรรมมันเป็ธรรมที่จะทำให้มีทางออกจากทุกข ต้องเป็นธรรมะที่สอนแล้วก็รู้ทางที่จะออกจากทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าอการเวียนว่ายใจเกิดในวัฏสงสารเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์อะยังไงยังไงต้องมีทุกข์จนได้หรอเพราะจิตของคนเราเนี่ยมันมีการทิยนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเลยเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวก็มากระทบทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจของเราก็นึกอารมณ์ขึ้นมาแล้วก็เอาไปทุกใจทีนึงย้อนเข้าไปอีก เนี่ยมันจึงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านี่มันเป็นรัตถุทุกข์แท้เลยอ่ะเหมือนกับหมุนวนอยู่กับไอกองทุกข์อันนี้หรือมีหนําซ้ําในร่างกายที่เราได้มามันก็เป็นกองทุกข์ชนิดหนึ่งเหมือนกันมีเจ็บมีป่วยมีไข้มีแก่มีเท่ า, ม, ทามีชราเอเพราะฉะนั้นเจ้าเสด็จไปทางไหนก็นมีแต่คนมาหาแหละถ้าแต่บุคคลเจเริญบางคนก็คนแก่มหาข้าพระพุทธเจ้าเป็น ผู้ที่เกิดมานานนะไอ้ร่างกายก็แก่เท่าเชล่านะกว่าที่พระองค์จะเสด็จมานา น, านแล้วไม่รู้ว่าพระองค์จะได้มาหรือเปล่ากว่าที่สาวกของพระองค์จะผ่านมาท้งนี้ก็ยากแสนยากเมื่อพระองค์เสด็จมาแล้วขอพระองค์ทรงแสดงธรรมขอข้าพระเจ้าด้วยเถิดที่ข้าพระเจ้าเนี่ย ได้มีหลักในการดาเนินชีวิตพเจ้าก็บอกว่าบุก่อนมาลุงกยบุตรเนี่ยคนเราเมื่อเกิดมามีร่างกายแล้วอ่ะถ้ามีใครมาบอกว่าไม่เคยเจ็บไม่เคยป่วยไม่เคยไขย้เลยอะ่ะให้สมมติฐานได้เลยว่าคนนั้นเป็นคนหลงหลงเนี่ยอยู่แล้วหรือบ้าบางทีก็ต้องเรียกว่าคนบ้าด้วยหลงด้วยทั้งบ้าทั้งหลงเนยก็แสดงว่าเนี่ยมันเป็นก้อนทุกข์จริง ร่างกายมันกระตุกอยู่ตามธรรมชาติของมันแล้วอ่ะอย่างวันนี้เราตื่นขึ้นมาโอ้มีภารกิจเยอะมากเลยนะเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยต้องรีบเข้าห้องน้ําต้องแปรงฟันล้างหน้าล้างตาอาบน้ําอาบท่าไม่งั้นมันบีบแล้วอะ่ะบางทีอากาศหนาวๆกันงคืนอะ่ะมันปวดหนักปวนเบาขึ้นมาจะไม่รู้ก็ไม่ได้อยากจะนอนต่ออยากสบายๆกํลาลังอุ่นเลยมันบอ ก, กไม่ได้ บอกเขาอยู่พอไหวดหีกล่านะเนี่ยคํานวณดูไม่ได้เอ่หนักขึ้นกว่าเก่าเออไปก็ไปแน่ผลสุด ท, ท้ายก็ต้องไปนี่คือมันทุกข์ไม่ได้ตั้งใจเราแล้วมันบังคับเราใช้สายมาก็เริ่มอีกแล้วหิวีกแล้วไม่เอาก็ไม่ได้อีกเนีนี่บังคับทั้งนั้นเลยใจก็มีทุกข์ทางใจนะกายก็มีทุกข์ตามธรรมชาติของร่างกายใจก็มีทุกข์ตาม ธรรมชาติของร่างกายเพราะระบบของจิตใจมันเป็นระบบอันหนึ่งนะเป็นระบบของธรรมชาติอันหนึ่งที่มันไม่คิดจูงแต่งได้บางทีมันก็ลืมไปถ้าหาว่า เ, ออเราได้ยินพร ะ, พระธรรมคําสอนของมุณเจ้ามันเป็นคําสอนที่กันกรองมาจากพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์หมดเกล็ดไปยห้ตัดสู้เองเลยรู้ด้วยญาณสัมมาสัมโพธิญาส พ, พยุตญาณอติตังสญานอนาคตังสญาหมดเลยมิจฉญาณทั้งหมดที่พุทเจ้ารู้เนี่ย ขึ้นเองถ้าพงอยากรู้อะไรอะ่ะพงษ์นกขึ้นมามันก็รู้แล้วในธรรมชาติอันนี้เราไม่สงสัย่ะเดี๋ยวเมื่อวานเนี่ยฟังอาจารย์สมบูรณ์อ่านเนะี่ยอ่านที่พูดกับพระ อ, อ น, นุนโอ้โหมันมีความรู้สึกขับฟินน้ำตาซึมเลยนะเอะที่ว่าเออพองจะไปรีวิวพานแล้ว อ, อ น, นุนก็อ้อนวอนอะ่ะ ก, ก็พ อ, งองพงษ์ไปชมมาทีสังขารแล้วก็ยังอ้อนวอนเอาอ น, นุน ในเมื่อเธอเชื่อในการตัดสินของเราทําไมเธอต้องมาอ้อนวอนอีกแล้วมันลึกซึ้งมากนะคือไม่รู้ละ่ะเราฟังแล้วมันมันไปจับเอาบางตอนที่เราก็เหมือนกับเราสอนอะไรลึกซึ้งลูกฮาอะไรเงี้ยแหละย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้ ว, ย, ล ว, ย, ลวย้ำอีกอย่างเงี้ยเ อ, อีมันออกมาจากใจแล้วะคนหนึงพูดออกมาจาัดใจคนหนึงฟังแล้วปล่อยลอยลยอยไปลอยไปอย่างเนี้ยมันไม่ถึงใจนะ บางวันนี่เลยทำของพทธเจ้าเอาไหมเอาไหมคล้ายๆอย่างนั้นน่ะนะผู้ฟังเอาก็โอ้มันก็เบิกบานไปด้วยกันชื่นชมยินดีโอ้มีบารบุญเน อ, อะแต่ยินไลยฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วก็เข้าไปถึงจิตถึงใจนะแล้วน้อมเข้ามาแล้วก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเนี่ยอย่างมาที่นี่ก็เหมือนกันแหะมันก็มาเพื่อให้เราสังเวชและนึกถึงว่าโอ้ชีวิตเป็นอย่างนี้เองเนี่ยแมแต่พระบรมศาสดาสมัยสามพุทธเจ้าพระบุคลิกของพระองค์ก็ ไม่ไอยู่ตลอดไปเราเองก็ไม่รู้อีกกี่ปีเนี่ยมันก็จะตายกันแล้วเอาเลยง่ายกันเลยอ่ะจอเข้ามาหาความจริงของเราเลยอ่ะทํายังไงดีอ่ะชีวิตเรามันถึงจะดีขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยคําสอนของพระองค์น้อมเข้ามาสิ่งที่เรืองสอนมากที่สุดเลยนะในอาเดยสัตตนี่ทุกสมุทัยที่หลดมาก็คือมรรยาทางนี่แหละที่จะออกจากทุกนี่แหละที่พระเจ้าประทาน อธิบายไว้เลเอยดเราเอามากที่สุดในพระไตรปิฎกนี้ไปดูได้เลยนะคือเนี่ยเป็นเรื่องของมรรคทุกขานี้โลทะทานมิมีปฏิบฏัติธามหมือว่าทางประพฤติปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์บอกทางไว้แต่อันนี้ต้องเอามาปฏิบัติไม่ใช่ฟังเฉยๆเนี่ยต้องเอามาปฏิบัติตั้งแต่สติปัฏฐานสีนี้ก็เป็นมรรคเนี่ยสีน์สมาธิปัญญานี่ก็มรรคเป็นทางเนี่ย สมถะวิปัสนานณิกฐานเพื่ออกจากทุกข์ทั้งนั้นเลยอะ่ะทานชินภาวนานี่ก็ทางบอกทางไว้ให้หมดปฏิบัติสอนให้ปฏิบัติบูชาอย่างเรามาเนี่ยเริ่มเราไม่เน้นที่ทีรีตองแล้วบูชาเดินจนกลมเลยสํารวมเอากายเอาใจเราบูชาบูชาบอกอาจมาบอกนะนี่ทามู่คณะมา เราขอบูชาด้วยกายวาจาใจของเราบูชาอย่างแท้จริงเลยตามพุทธดำหลักของพระองค์จริงๆเลยก้าวไปแต่ละก้าวนี่หมายถึงสักการบูชาสูงที่สุดแล้วไปเอาดอกไม้เอาถูกเอาเทียนมาวางแปะแปะแป ะ, แปะใจเลื่อนลอยไปเ น, น, นี่ยอันไหนมีค่ากว่ากันอันนี้ใจมันน้อมเข้ามาบูชาพร้อมด้วยกาย ดื้ใจเราบริบูรณ์สมบูรณ์มีใการบูชาอย่างแท้จริงองค์ก็กล่าวกล่าวเอาไว้เนี่ยใกล้จะปรินิพ า, านอะ่ะพระองค์ก็พูดเนี่ยด้วยกวันพิสูจนทั้งหลายการบูชาเรามีสองอย่างหนึ่งอามิดบูชาบูชาเราด้วยดอกไม้ทุกเพียนข้าวของเงินทองด้วยอามิดอีกอันหนึ่ง ป, ปฏิบัติบูชาก็คือเอากายเอาใจเรามาประพฤติปฏิบัติตามความสอนของพระองค์ การปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างแท้จริงอันนี้ก็ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์ตัดแก่ทิศสู่ทั้งหลายด้วยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอ่ะหมายก็ว่าตอนที่พระองค์ทรงปรองพชรมายุสังขารครั้งแรกอ่ะภาคที่เป็นบุตุชนอ่ะพากันมารวมกันร้องไห้อะไรอาวรพระบุตะเจ้าคนเราเป็นภาคก็ตามนั้นจิตใจมันก็ยังเป็นบุตุชนนะมันก็ต้องอะไรอาวรสิเหมือนกับเรามาบวชอ่ะ แล้วก็หวังพึ่งพระพุทธเจ้าอ่ะทีนี้พอมารู้ว่าพระเจ้าจะปฏินิพพานอ๋อหรืเรามีพ่อมีแม่เงี้ยรู้ว่าพ่อแม่เราจะตายอ่ะกั้นน้ําตาเอาไว้ได้หรือเปล่ามันไม่ได้น้ําตาก็ซึมก็คอร้องหอบร้องไห้ไม่งั้นก็แอบไปร้องไห้เนี่ยอันนี้มารวมก ล, ลุ่และพากันร้องไห้ที่มี้ผ้าอุ้มหนึ่งท่านเรียนรู้กรรมาฐานละ่ะไอ้องนี้ชิดไม่เหมือนองค์อื่นไอ้พี่ ท, ที่เป็นผุุ้ชฉนด้วยกันเนี่ย อีกสามเดือนพระพุทธเจ้าจะปรินิพานแล้วธรรมะที่พระองค์ทรงประทานเอาไว้ให้เนี่ยเรายังไม่รู้ไม่เห็นเลยอะที่ได้ยินได้ฟังจากพระโอษฐของพระองค์เนี่ยเราจะประปฏิบัติให้ธรรมะเหล่านั้นมันเกิดขึ้นแก่จิตใจของเราให้รู้เห็นก่อนที่พระองค์จะปรินิพานดีบล้นออกไปเลยจะรูญสติเดินจงกรมนั่งภาวนาทำอะไรยพยายามมีสติสมบรวเ์เต็มที่เลยเพราะอยู่คนเดียวมันมีโอกาสอยู่กับตัวเองมาก มันไม่มีเรื่องราวข้างนอกมาฉุดมาลากมาดึงออกไปเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ในที่ชุมชนอยู่อะไรแค่ไหนเรารู้จักวิธีหลุดเล้นอย่างน้อยปล่อยออกไปแล้วก็เอาจิตของเราไม่ให้ไปเกาะไปเกี่ยวกับเรื่องราวข้างนอกตาก็พยายามให้มันเห็นน้อยหน่อยมันหลบเข้ามาหาทางที่จะให้เราอยู่กับตัวเองได้มากๆก็เป็นการหลุดเด่นเหมือนกันอันนี้ท่านก็หลุดเด่นออกไปอย่างเนี้ถึงจะอยู่ในวัดก็ตามท่านก็หลุดเด่นออกไปพยายามอยู่องค์เดียว ทีนี้ถ้าผู้ดูชนนี่อชนใหญ่ก็มาร้องไห้กันอยู่ตรงนี้ตรงบริเวณในนั่นแหละที่ใกล้ๆกับพระเจ้านัน่นแหละทีนี้ก็พากันพูดขึ้นมาเพราะว่ามีบางบางองค์ทำไม่เหมือนตัวเองแล้วเนี่ยจะแสดงว่านี่เขาชื่อติสซาพนระองค์นั้นชื่อติสซาสมัยโน้อนอ่ ะ, ะแสดงว่าติสซานี่ไม่ไม่รักพลาลัยในพระเจ้าแล้วดูสิรู้ว่าพระ เ, เจ้าจะปริบัติพานก็มาร้องห่มร้องไห้เรื่องความเข้าใจผิดนี้ก็มีนะ ใ น, นสมัยนี้ก็เหมือนกันเห็นว่าบางคนก็พอร้องพอพอมีญาติตายอะไอยงเงยไปจ้างคนมาร้องไห้เพราะจะได้รู้สึกว่ามีคนรักใอ้ห่วงใยหรือเป็นคนมีความสําคัญคนตายเนี่ยจะมีคนร้องให้จ้างคนมาร้องไห้ว่าดูชิ่งเหนียวเนี่ยไอ้คนเราทั่วไปเนี่ยมันมันหลงง่ายๆเลยนะมันคิดไปแล้วก็ทําไปแั้วก็รุ่มหลงกันไปบางทีก็เป็นตบทีนีขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้啊 นี่ถ้าเราไม่มีหนักธรรมของพุทธเจ้าแล้วเราก็จะไปทําอะไรที่มันมันไหลสาระไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้ามาหาคําสอนของพุทธเจ้าทีนี้พรุทธเจ้าก็ไปชุมสิทีนี้เพอามีคนไปไปไปฟอ้องพระุทธเจ้าแล้วเนี่ยไปกราบพูะพุทธเจ้าว่าเนี่ยติสานี่ไม่ไม่รับไม่อะไรในพระพุทธองค์แล้วดูชีวิตดูว่าองค์จะปรินิพานก็ยังไปนู่นหลบไปอยู่ในป่าไม่ยอมร้มองห่วงร้ห้เหมนพวกเราเนี่ยนะเหมืพวกพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ า, าก็ประชุมเลยยิ่งพรพุทธเจ้ารู้แล้วแต่ประชุม ประชุมก็ถามเลยถามเจ้าตัวเลยด้วยก่อนติสะเห็นว่าเธอไม่รักไม่อะไรในเราแตถาคดหรือว่าเราจะปรินิพานอีกสามเดือนก็ไม่ยอมหลงห่มหลงให้เห็นไปเดินจงกรมนั่งภาวนาอยู่องค์เดียวอะ เ, อเธอคิดยังไงางานไปถามกันนี้จะเว้นกัวด้วยเป็นการเจัดสินคนอื่นไม่ใช่ตัดสินง่ายๆนะมองเห็นพฤติกรรมข้างนอกก็ไปตัดสินไม่ใช่ก็ต้องสอบสวนคิดยังไงทำไมถึงทําอย่างนั้นนีมันต้องมีเหตุมีผลขึ้นมานะ นี่พระเจ้าเป็นอย่างนี้เพราะว่าทุกอย่างมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมันจึงเกิดขึ้นมีคนปดิบัตธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันมันจะมีอะไรที่ยักยั้งจิตเอาไว้ยักยั้งจิตเอาไว้ว่ะพอมีคนมาพูดเรื่องนั้นเรื่นี้ว่าเอ๊ะมันมีเหตุผลอะไรนะมันต้องสาวไปหาเหตุนรือทางหลักธรรมพระเจ้าเป็นอย่างนี้แล้วจิตที่มีธรรมก็ต้องเป็นอย่างนี้ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุทม่มีเหตุมันจึงมีผล จะไตัดสินตองผลอย่างเดียวไม่ได้ต้องสาวหาเหตุมีเหตุอะไรกันเนี่ยมันสมควรแก่เหตุไหมสมควรแก่ผลนั้นไหมไอเหตุเนี่ยมันสมควรแก่เหตุแก่ผลไหมมันจะได้ตัดสินได้ถูกต้องคุณพระเจ้าก็ถามพระติสาก็ทูลตอบข้าแต่บวงผู้จเจริญข้าพระองค์ข้าพระเจ้าข้าพระ อ, องค์รู้ว่าพระ อ, องค์จะปรินิพพานอีกสามเดือนแต่ข้าพระ อ, องค์ คิดว่าธรรมะที่พระองค์อบรมสั่งสอนมาข้าพุทเจ้ายังไม่สามารถล่วงรู้ธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพระองค์เลยข้าพระองค์จึงตั้งใจว่าจะประพฤติปฏิบัติให้รู้ธรรมเห็นธรรมเหล่านั้นให้ธรรมเหล่านั้นมาอยู่ในจิตใจของข้าพระองค์ให้ได้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระเจ้าข้าโอ้โหผู้เจ้าสาธุทันทีเลยนะเห็นไหมสาธุเลย สาธุดีแล้วติกษะทิกสุทั้งหลายจงเอาตัวอย่างติกษานี้เถิดการบูชาเราแต่ท้อข้าพุทมีสองอย่างหนงอามิดบูชาบูชาเราด้วยอามิตรด้วยข้าวของเงินทองดอกไม้ถืกเพียนอาหารการกินไรก็ว่าไปเราเอามาบูชาอันนี้เป็นการบูชาเทียมท่านบอกแต่ก็ได้บุญอยู่เป็นการบูชาอยู่แต่ถ้าเทียบความสําคัญการปฏิบัติบูบชา เป็นการบูชาอย่างแท้จริงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าใยาบูชาเราแต่ฐานคให้ปฏิบัติบูชาเถิดก็เพื่อประโยชน์ของผู้ที่ปฏิบัติบูชานั่นแหละพระองค์ก็สรรเสริญเนี่ยการปฏิบัติบูชานี้เมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ต้องสำรวมระวังปฏิบัติบูชาได้ทุกที่ทุกเวลาเลยอยู่บนรถก็ได้อยู่ในร้านอาหาก็ได้อยู่ในห้องเชื่อมก็ได้ ขอให้เรากําลังปฏิบัติบูชาอย่างนี้มันก็จะรู้ทันทีว่าออมเป็นมันลองลงไปอ่ะบางคนก็เอาบูชาก็ทําใหญ่โตขึ้นมาที่นี่อามีบูชาแต่ว่าทําใหญ่โตมีความสําคัญคมกันเลื่อนไสก็ทําตามกันไปสุดท้ายก็ไปติดอยู่กับไอ้ไอ้นั่งแหลกก็เลยไม่ไปไหนที่นี่เนี่ยมันก็ติดท่องไดง่ายแล้วมันก็ขยายทําให้มีความสําคัญอ่ะ มันก็นลืมเรื่องที่พระองค์ยกย่องสันเสริมมาต้องประิบัติบูชาสำรวมจิตใจเพื่อให้จิตใจเนี่ยมันเป็นสมาธิเนี่ยพระองค์รู้นี่รู้ทางออกนี่เมื่อใจเป็นสมาธิแล้วมันจะวางอารมณ์ข้างนอกอารมณ์ข้างนอกที่เคยกุ้มลุมจิตนะ่ะมันดับไปเรื่องราวต่างๆที่มันยุ่งเหยิงอยู่ในจิตนะที่มันเรื่องของโลกเรื่องทางโลกเรื่องอะไรก็ไม่รู้ เพราะว่ามันถ้าคนเรายังมีชีวิตอยู่ก็มีเรื่องราวทั้งหลายพ อ, อทำไปนูน่นนี่พูดกันไปทำกันไปแล้วก็เข้ามากุ้งรุมจิตอะนั่นก็คือว่าเราไม่รู้จักทางออกของจิตใจไม่รู้จักส้ำรวมจิตใจเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องมันก็เข้ามาหมดอะเข้าวาก็ปิดบังห่อหุ้มจิตจิตมองทางไหนก็มีแต่เรื่องเรื่องที่ตัวเองไปเอาเข้ามานั่นแหละ บางทีก็คนอื่นทำบางทีเราก็ทํำกันไปพูดกันไปคิดกันไปแล้วก็มายุ่งยุ่งลุงลังอยู่ในจิตเนี่ยมองดูตัวเองก็เห็นแต่เรื่องยุ่งยุ่เรื่องลุงลังเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไร้สาระเรื่องนั้นบางเรื่องนี้บางจิตจิตสาคัญไปหมดเลยจริงๆแล้วไร้สาระหมดไม่ร้จะคิดไปทําไมพูดไปทําไมทําไปทําไมบางเรื่องบางเรานะไร้สาระทีนี้ทางออกพระองค์ก็บอกว่าก็ต้องพยายามเนี่ยจึงบอกทางให้ ปฏิบัติบูชาก็คือเอาจิตของเราเนี่ยเข้ามาสัมดวงเข้ามาให้จิตมันเข้ามามีอารมณ์เดียวอยู่ภายในตัวเรานี้ต้องให้จิตมีอารมณ์เดียวเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์อื่นๆน่ะมันจะได้ดับไปเี๋ยมันจึงจําเป็นว่าต้องมีอารมณ์เดียวต้องเป็นสมาธินั่นก็คือต้องพยายามจะบริกรรมก็ได้ดูลมก็ได้ดูกายดูวทถนาดูจิตดูธรรได้หมดแล้วที่นี่เนี่ยมันมีหลักแล้วนี่ว่าต้องทําจิตให้มีอารมณ์เดียวซะก่อน ก็ต้องจิจ่อไว้ถ้ามันมีกําลังแล้วที่ี้มันจะรู้บางคนก็มันวางหมดแล้วมันมันมันมีอารมณ์เยอะแล้วกําลังมันมากพอแล้วมันอะไรเกิดขึ้นรู้รู้รู้คราวนี้มันขยายความรู้ขยายกําลังแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นตอนแรกเนี่ยอารมณ์เดียวนี่ยมันมีความจําเป็นต้องการให้อารมณ์อื่นเนี่ยมันดับไปไม่ให้มีอารมณ์ต่างๆมากุ้งลุมจิตไม่ให้สังขารมันมารบกวนจิตกุ้งลุมจิตตุงแต่งจิต จะไม่เป็นจงจงเองมีทางออกของพระองค์ก็เป็นอย่างนี้พอพอจิตเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งที่แรกมันก็ยังต้องคุมไว้ก่อนเพราะว่ากําลังไม่พอเพราะนั้นทําไมบางคนต้องทำสมาธิมันก็จําเป็นเพราะต้องการให้จิตมีกําลังแล้วป่องแต่ถ้าไปคิดว่าอุ้ยไอ้จิตนิ่งแล้วไม่มีอะไรแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มีทีเลยแล้วอันนั้นก็หลงอีกอย่างหนึ่งเพราะมันยังไม่รู้มันยังไม่ปล่อยไม่าวาง มันไม่มีปัญญาณอะไรเลยอะ่ะก็แค่ว่ามันมันมั น, ม, นมันจิตเป็นหนึ่งแค่เป็นสมาธิจิตสงบชั่วคราว<อ>ก็ต้องทําให้มีกําลังเพิ่มขึ้นหรือบางคนพีเป็นหนึ่งในเล็กน้อยมันก็เริ่มออกรู้ได้อันนี้ก็คือว่ามันมีสติสัมปชัญญะบางคนก็อยู่นานต่อมาก็พยายามที่จะออกมารู้ถ้าคนไหนที่เคยฝึกมาออกมาลุ้ได้เร็วเนี่ยเขาจะรู้ได้เร็วปึ๊บเข้าไปพอมันเริ่มมีกําลังก็มัน ออกดูได้เลยอันนี้คือเคยทำมาเคยเจริญวิปัชนามาแล้วแต่บางคนเคยเจริญสมถะมาวิปัชนาน้อยนี้ยังไม่เคยเจริญเลยเนี่ยอันนี้ต้องฝืนต้องพยายามบังคับให้ดูต้อ ง, งพยายามให้ดูมันไม่อยากดูก็ต้องดูหรือว่าบางคนก็เลยทํายากบางคนทำง่ายมันก็ไม่เหมือนกันอันนี้แหละขึ้นอยู่กับเหตุปัจจงแต่ละคนแต่สุดท้ายก็ไปที่เดียวกันเน่ะถ้ า, าดูได้แล้วมันก็ขยายออกมาขยายมารู้ได้ทีนี้อันนี้เกิดขึ้นก็รู้อันนี้แต่บางคนรู้เร็วบางคนรู้ช้า มันก็ไม่เป็นไรอะ่ะขออย่างเดียวให้เรารู้ให้เข้าใจว่าโอ้ทางของพุทเจ้าเนี่ยมันต้องมีอารมณ์เป็นหนึ่งเพื่อที่จะให้อารมณ์อื่นๆน่ะมันดับไปซะก่อนเพื่อให้ไม่มีอะไรมากุ้มลุมจิตเนี่ยเหมือนกับว่าให้จิตเนี่ยมันถูกเปิดเผยออกมาเหมือนตาใจมันถูกเปิดท่านใช้คําว่าเออเหมือนใจมันถูกเปิดออกมาเปิดใจก็คือไม่มีอะไรรบกวนจิตใจแล้วใจพร้อมจะรู้จะเห็นอะไรเกิดขึ้นก็ออกไปรู้ไปเห็นได้เรียมีสติสัมปชัญญะซะก่อน ที่พอกําลังมากขึ้นคราวนี้มันทั้งรู้ทั้งเห็นด้วยเข้าใจด้วยเมื่อวันนี้เกิดแล้วก็ดับไปอันนี้ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราจิตมันดูอยู่เนี่ยพอมันดูต้องมันก็เห็นเนี่ยพี่อ่านี่มันไม่ใช่ของเรานี่นนะแต่จิตเป็นตัวดูอยู่อ่ะนี่แหละมันก็เข้าหาวิปัสสนาเข้ามาความรู้รู้แล้วจิตก็จะค่อยปล่อยเนี่ยตามกําลังที่มันออกรู้นั่นแหละค่อยๆปล่อยเนี่ยพรปล่อยได้เบาทันทีเลย อาตามที่มันเคยเราเคยไปหลงยึดมันมันนมนานแสนนานไม่รู้เกียรตสงขัยก็ตามถ้ามันได้เห็นแล้วมันก็เริ่มปล่อยเริ่มวางรู้ทางออกขอต้องออกอย่างนี้เนี่ยปล่อยวางถ้ า, าว่าไม่รู้ไม่เห็นวางไม่ได้อยากวางขนาดไหนไปท่องเถอะคำพีอ่อไ ว, ว้วางวางวางวางวางท่องแล้วท่องอีกเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบายท่องแล้วท่องอีกเกิดดับเกิดดับท่องแล้วท่องอีกมันไม่ได้นอกจากเข้ามาเห็นด้วย จะท่องหรือไม่ท่องก็ตามคอยมันเห็นด้วยเห็นด้วยตาใจใจเห็นถ้าเห็นแล้วใจจะวางนะที่แรกก็ปฏิบัตินี่แหละอศีล ส, สมาธิปัญญาอยากมีสติมีสมาธิมีปัญญาแต่พอมีแล้วพวกปล่อยวางทีนี่เพื่อไม่เอาแล้วสุดท้ายไม่เอาอะไรนะคือให้จิตปล่อยวางไม่เอาอะไรสติก็ไม่เอาสมาธิก็ไม่เอารู้เห็นอะไรก็ไม่เอาคือให้ปล่อยรู้วิธีปล่อยวาง ปล่อยวางแล้ตก็ค่อยไปดีสละขึ้นมาเยปล่อยวางได้ก็คือจิตเนะมันเห็นเห็นว่าโอ้นี่เกิดแล้วก็ดับเปลี่ยนแปลงไม่ใ ช, ไใช่ไม่ใช่ของเราไม่เห็นเด็กยามันก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตอนนี้จิตเบื่อหนายนะไม่ใช่ว่าพอพอเรามาได้ความสงบแล้วกันนึกเบือหน่ายทางบ้านทางช่องต้องรับผิดชอบตรงนั้นตรงนึก จะปฏิบัต Spain, to, you know it. It AH ิก็ไม่ค่อยได้ประเดี๋ยก็เกิดความเบื่อหน่ายใช่ไหมอันนั้นเบื่อหน่ายแบบอารมณ์ความเบื่อหน่ายต่างจากถึงความเกิดดับและจิตเบื่อหน่ายนะอันนี้มันเบื่อหน่ายภายในจิตจิตเห็นอู้หัวทุกสรรพสิ่งเนี่ยอะไรโผล่มาก็มันมันมีญาณเกิดขึ้นอะเออเกิดแล้วก็ดับผ่านมาผ่านไปไม่ใช่ของเราจากนั้นไอ้ไอ้ไอ้ความเกิดดับอันเนี้ยความเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยมันชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเม็วขึ้นแล้วเป็นทุกขนาดจิตเลยที่หนึ่งคราวนี้มันเหมือนมันมันทะลุออกไปข้างนอก อะไรผ่านมาก็ตามดิจิตยัดไปหาอะไรก็ตามมันรับรู้ขึ้นมาว่าสิ่งเหล่านี้ผ่านมาแล้วต้องผ่านไปเสินแล้วก็ดับไปนี่คือยานพร้อมที่จะบรรลุธรรมเลยเนี่ยมันมันทะลุออกไปอย่างเงี้ยเห็นพายในจิตนี่แหละแต่มันทะลุออกไปถึงกฎของธรรมชาติระบบของธรรมชาติเนี่ยแล้พระนางญากรธยาเนี่พอฟังอาเรียสสีปักมันทะลุออกไปอย่างนี้ท่านล้ำทิงขึ้นมาในจิตเลย ชิ้นใดชึ่ง เ, งเกิดชิ้นเป็นธรรมดาย่อมดับไปเป็นอรรมดาเนี่ยผู้เจ้าก็รับรองว่ารู้แล้วนั่นอัญญากรุญญารู้แล้วหนอนนี่เพราะว่าอย่างนี้แหละยิ่งเราเหยเข้าไปนี่คว า, ามรู้อันนี้ยิ่งรวดเร็วปั๊บรู้ทันทีเสร็จแล้วต้องดับที่ก็ทายออกไปด้วยทายไปทุกเรื่อง แต่เพราะนั้นอันไหนที่จิตมันหลงยึด ก, ก็ตามอ่ะแต่พอปฏิบัติไปทางรวเจญานี่มันแปลกจริงๆนะมันจะเป็นเองเลยนะไปถึงจุดของมันแล้วถ้ากําลังพอเนี่ยมันจะเป็นเองหมดเลยระบบของการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าทเรียกว่าอารยาิยมรรคเป็นหน้าที่ขององค์มรรคเลยนะทํางานเองได้เลยเป็นเรื่องของจิตเนะี่ยเรามีหน้าที่ปฏิบัติปเดยาเพื่อให้ไปถึงเมื่อไปถึงจุดของมันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเองหมด นี่คือเรื่องของอริยามารรคเนี่ยเห็นก็คือเห็นในอริยสี่นี้แหละมีเพราะนั้นพระองค์ยังบอกทางออกให้แก่จิตใจเพราะฉะนั้นถ้าใครมาครั้งนี้นะแล้วก็เออสามารถเปลี่ยนแปลงจิตของเราให้รู้ทางออกจากวตาสงสารได้จึงคงค่าที่สุดเลยนะภพชาติจะสั้นลงทันทีเลยอย่างน้อยเราเป็นผู้หนึ่งนะ ที่รู้ทางเดินของชีวิตเราของจิตใจของเราเพราะพระเจ้าทุกพระองค์ต้องสอนเรื่องทางออกจากวัฏสงสารทั้งนั้นเลยไม่มีใครหลอกที่จะสอนให้ลูกศิษย์สาวกว่าลุ่มหลงอยู่กับวัฏสงสารเออนี่มันเป็นของสนุกสนานนะโอ้โหยิ่นล่บันเทิงนะอยากได้อะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินอยากเอาอะไรก็เอาอยากเสพอะไรก็เสพนี่เรามีความสุขที่สุดในโลกแต่ น, นี้ไม่ใช่แน่ ไม่ใชคำสอนของศาสดาแน่นอนแล้วคำสอนของศาสดาต้องหาทางออกจากวัฏฏะทุกันนี้ไม่บางทีพกกระองค์ก็ยกเนี่ยพบชาติก็บงกขึ้นมาอย่าเมื่อวานนี้ว่าเออเป็นราชานั่งช้างตายวานช้าง ควบคุมช้างไม่อยู่เพราะว่ามันได้กลิ่นโจเมียเนี่ก็สอนให้เห็นเนี่ยท่านก็ยกมาเพื่อจะสอนว่าโมโห่มันลุ่มหลงได้ง่ายมากนะ ท, ทั้งที่คิดว่าเป็นรสอร่อยหน้าติดอกติดใจจนกระทั่งสัตว์เนี่ยมันก็หลงไหลไปใช่ไหมควบคุมไม่อยู่ยิงตอนหลังมาว่าเออความช้างรับรองเลยว่าเนี่ยฝึกมาอย่างดีแล้วไม่ใช่สเปสตาณนะลองให้จับไฟที่มันกําลังร้อนแรงมันจับได้มันกลัว วุ่นวายช้างมากแต่เวลาได้กินตัวเงินเอาไม่อยู่จนผู้ยาต้องปรารถนาจะ ห, หาทางออกเลยก็โ อ, โอ้ไม่ได้แล้วถ้าลุ่มหลงอยู่งี้มันติดข้องขนาดหนักเลยเนี่ยจมลึกอยู่กับมันเลยเนีย่กลายเป็นความสุขไปเลยเนี่ยแต่ที่จริงมันมาจากความลุ่มหลงนั่นเองแต่ถ้าเรายังมีชีวิอยู่เราก็อยู่ไปตามสภาพของเราแต่ว่าเราก็หวังว่าเราจะหาทางออกต่อไป ถามว่าเตอนนี้มันมีชีวิตอยู่ต้องมีความรับทิ่ชอบอะไรก็ไม่เป็นไรอะ่ะเพราะมันเป็นธรรมดาของของภบชาติวัตตะสงสารเนี่ยก่อนที่มันจะมีทางออกมันก็ต้องไปตามกฎของธรรมชาตินี่แหละก่อนในพระเจ้าของเราก็เหมือนกันเนี่ยทู์ออก็ต้องมีครอบมีครัวเอมีพระราหน้าที่เอยู่ตั้งยี่ 19, สิบเก้าพรรษาจมีพระราชาโอรสเนี่ยกว่าที่พระ อ, องค์จะถึงวาระคำโองค์ที่จะออกจากวัตตะสงสารได้ เอาต่อไปนี้ให้กำลังจิตใจนะเพื่อที่เราจะได้บูชาพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่นะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เดินทางต่อไปนะพยายมมีสตินะมีสติมีสติคือยังไงต้องรู้รู้ตัวมีความรู้สึกตัวนี่คือมีสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วยังไงรู้สึกตัวแล้วรู้ว่าจิตของเราอยู่ยังไง จิตของเรากำลังทำยังไงกาลังดูอะไรกำลังสังเกตอะไรกำลังทำความเข้าใจเรื่องอะไรนี่คือรู้ตัวรู้ตัวแล้วก็รู้เรื่องรู้หลอกขึ้นมาว่าจิตของเรากำลังทำอะไรดูอะไรดูลมดูกายนี่ก็แสดงว่าอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า กายยาลุปัสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูกายจะดูลมก็ส่วนหนึ่งของร่างกายดูผมขนเล็บฟันหนังอาการส่วนจาสองก็ส่วนหนึ่งของร่างกายดูธาตุดินน้ำลมไฟก็ส่วนหนึ่งของร่างกายดูอาการของร่างกายมีอาการอะไรเกิดขึ้นก็ดูกายมีความรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกว่าร่างกายนั่งอยู่ยังไงนี่ก็ดูกายดูกระดูกดูว่าไม่มีอะไรก็กายไม่มีอะไร ร่างกายก็คือว่าสุดท้ายก็เหมือนสรีระของพระพุทธเจ้าต้องสลายไปแสดงว่าร่างกายไม่ใช่ของเราจริงไม่ใช่ของเราตลอดไปร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงเพราะสุดท้ายมันก็คือดินน้ำลมฝัก็ต้องทาความจริงให้มันแจ้งขึ้นมาในจิตของเราว่าร่างกายอันนี้ก็แค่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ให้จิตของเรามันรู้ความจริงได้ถ้ารู้ความจริงแล้วเรีมันไม่ตายหมายว่าความตายของร่างกายก็ไม่มีผลต่อจิตมันจริงเหนือตายหรือไม่ตายไม่ตายก็คือว่าความตายเนี่ยมันไม่มีผลต่อจิตมันไม่มาไม่มารบกวนจิตความเจ็บไม่มารบกวนจิตความแก่ไม่มารบกวนจิตจิตอยู่เหนือเกิดแก่เจ็บตายรวนทั้งจิตมันไม่ได้เกิด มันมันไปหาร่างกายมาใหม่อีกพอแล้วพอแล้วมันพอคือมันต้องรู้ความจริงสะ ก, ก่อนหรือว่าไอ้ร่างกายนี้ยืมมาใช้ชั่วคราวเพื่อที่จะเจริญจิตของเราให้รู้ความจริงเพื่อปนวางกายให้ได้หมดจดเลยไม่ไปพึ่ร่างกายนี้ต่อไปแต่หมายว่าจิตต้องหมดจดหมดจดแล้วไม่ไปเอากายมาอีคือไม่ปรุงแต่งเรื่องร่างกายกต่อไปไม่ปรุงแต่งเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาแล้วต้องไป หาลูกนามมาใช้กรรมเหล่านี้อีกคือให้มันรู้ใช่รู้ให้หมดจดเพราะนั้นก็ต้องรู้ว่าเออพระพุทธเจ้ารู้ความจริงหมดจดแล้วว่าร่างกายอันเนี้ยมันจะไปหาเอาล่างใหม่มาก็ต่อเมื่อมันมีอุปทานหลงยึดว่ากลายเป็นของเราอันนั้นอันนี้เป็นของเราก็ต้องมามีอุปทานเกี่ยวกับร่างกายนี้ ก็เลยให้เห็นว่าเออนี่มันไม่ใช่ของเรามันอยู่ของมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันมันเปลี่ยนแปลงไปของมันมันจะเจ็บจะปวดก็เรื่องของมันมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันให้เราได้รู้ได้เห็นมันชุ่มก็เรื่องของมันเรื่องของร่างกายก็เห็นในตัวชุ่มเนี่มันไม่ใช่เรามันเป็นอาการของร่างกายแต่ว่าจิตของเราไปจมอยู่กับมันต่างหาเราก็ต้องถอยจิตของลราเราให้มันกําลังขึ้นมาให้มันเห็นหรือว่าให้รู้ ให้จิตรู้ให้จิตเห็นให้จิตเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านั้นเวทนาความรู้สึกก็คือความรู้สึกเนี่ยมันเจ็บมันปวดก็เป็ความรู้สึกของกายแต่จิตมันไปเฉลยเนี่ยหรือว่ามันเฉลยอารมณ์มันไปเอามาเวลยคือกินจินมาไปเอามาแล้วก็มาเป็นเวทนาของจิตจิตก็เลยเป็นทุกข์ทรมานเราก็สอนจิตเราสิอย่าไปเอามาอย่าไปเอามานะมันอยู่ที่ร่างกายนะหรือมันเกิดขึ้นในจิตก็เหมือนกันเวทนาทั้งจิตความรู้สึกของจิต นอาการของจิตเท่านั้นเองยิ่งอันนี้ยิ่งเป็นนามธาทมเท่านั้นเองเกิดแล้วก็ดับไม่ต้องให้มันเข้ามาทีนี้เราก็รู้ทางออกนี้แหละทางออกของพระเจ้าแหะทีนี้เพราะนั้นพระเจ้าก็เลยสอนเข้าหาจิตเนี่ยฟุ้งสั่งก็ให้รู้เนี่ยมีความกำหนัดก็ให้รู้มีความโกรธก็ให้รู้ดีใจเสียใจรู้คือให้รู้มันมันโผล่อะไรโผล่มาล่ะเนี่ยไม่ว่ากายรืจิต ไม่ว่าเรื่องลูกเวทนาสัญญาสังขามยิบยานหรือกายเวทนาจิตก็คือมารู้นอาการของสิ่งที่มันเป็นเรานี่แหละก็คือมารู้เราเลยนะที่นี่ไม่ไปรู้อย่างอื่นนะถ้ามารู้เรื่องของเรามารู้เรื่องของเราคือรู้ว่าไม่ใช่ของเราอ้าวเรามารู้เรื่องว่ามันไม่ใช่ของเราก็คือจิตเรามันหน่กันเลยมาสอนให้จิตเรามันรู้ รู้ว่าไม่ใช่ของเราไอ้ที่รู้ว่าเป็นเราเนี่ยมันหลงจนมันรู้ว่าเออเราโดยสมมุติเราชั่วคราวเฉยเฉยให้มันรู้ความรู้อันนี้ให้มันบุกซึ้งเข้าไปถึงจิตเราเยร่งความทุกข์จึงจะน้อยลงไปนะอุปทานมันลดลงทุกข์จะน้อยลงไปหมดอุปทานเมื่อไหร่จะหมดทุกเมื่อนั้นนี่คือทางออกของคําสอนของพระโพุทธเจา้าทางออกก็คืออริยมรรคทุกขานิโรธาคามิมีปฏิบาาัติ พ่อปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรารู้ความจริงแล้วออกจากทุกข์ได้พอออกจากทุกข์ก็ต้องหนีต้องมาดูไงดูกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานดูเวทนาเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูกายตามดูเวทนาจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูจิตทำมานุปัสสนาสติปัฏฐานแม้ว่าจิตของเรามันรู้แล้วว่าเอออันนี้ไม่ไม่ใช่ของเราก็รู้ว่านี่สติตามดูธรรมดูไปเลือดดูหมดทุกอย่าง ดูจะไม่ ย, ยึดอะไรอ่ะดูเฉยๆเลยดูแบบไม่เอาอะไรให้ได้ดูได้เห็นเพื่อให้จิตเรารู้รู้แล้วจิตมันจะปล่อยจะวางเพื่อจิตปล่อยวางไม่เอาอะไรเลยตอนแรกปฏิบัติเหมือนจะเอาแต่พฮเดาจริงๆเขาเข้าถึงความจริงแล้วไม่เอาวางวางกลับได้โอ้โหมันมันมันแล้วแต่เราจะพูดนะที่นี่ธรรมะเนี่ยแต่ไม่ใช่ว่าเราตั้งใจวาง มันวางของมันเองนี่สุดท้ายมาเป็นอย่างนี้เรามีหน้าที่ปฏิบัติให้จงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนมันรู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตของเราแล้วจิตของเราก็จะจ่อยวางได้เองถ้าถูกทางแล้วจิตจะเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเอาดูอีกห้านาทีอีกห้านาทีเราจะไปละ ให้ตั้งใจให้รู้ว่าเรากำลังดูอะไรเรากำลังทำอะไรจิตเราเป็นยังไงเราเน้นที่รู้ให้รู้รู้จิตไม่ยินดีไม่ยินร้ายเนี่ยถ้าหาว่าเราตอบได้รู้ด้วยแล้วรู้ว่าจิตเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่คือปราลบจิตทันทีเลยนะนี่ทางลับเลยนะ ถ้าใครสามารถรู้ได้ว่าขณะนี้รู้อยู่แล้วจิตของเราเป็นปกติได้จิตไม่ยินดีไม่ยินไล้กับสินงใดโอ้ตรงเข้าหาจิตเลยนั่นเนี่ยรัดสั้นที่สุดเลยนัเนี่ยเข้าไปหาจิตเลยเนี่ยพูะเจ้าก็สอนให้เราไม่ยินดีไม่ยินไล้เลยนะไม่ยินดีไม่ยิน้ายก็คือจิตรู้แล้วจิตปล่อยจิตวางเป็นทั้งสติสมาธิปัญญาอยู่ในนี้หมด ไม่ยินดีไม่ยินไายขั้นสมาธิก็มีไม่ยินดีไม่ยินไล่ขั้นปัญญาก็มีสุดท้ายพรวรากายของพระพุทธเจ้าก็สุดท้ายก็ถูกเผาเป็นเท่าเป็นฐานไปแต่เท่าฐานเขาวงทรงเรียกว่าพระบรมสารีริกธาตุคือพระเป็นพรธาตุไปก็คือพระวรากายไม่เหลือเลย แล้วกายของเราละ่ะมันจะเหลือหรืออีนร่างกายที่นั่งอยู่นี่ฮะมันจะเหลือเหรือขนาดพระวรกายของพุทธเจ้าก็ไม่เหลือถูกเห่าแล้วก็แจกจ่ายกระจกระจายไปทั่วแล้วร่างกายของเราผู้เป็นสาวกนี่ละ่ะจะเหลือหรอเหมือไม่เหลือก็อย่าไปยึดมันสิวางเอาไว้แต่ต้องรับผิดชอบมันไปก่อนเออมันยังมีชีวิตอยู่ต้องรับผิดชอบมันให้อาหารมันอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละไม่งั้นมันก็บีบคั้นเรา คอมีกองทุกเป็นก้อนทุกเนี้ยมันต้องบีบคั้นเราแน่ๆถ้าเราทําไม่ถูกหลักของมันไม่ถูกต้องตามธรรมชาติของมันก็จําเป็นต้องทําให้ถูกต้องก็ต้องรู้ด้วยว่าเอเราจําเป็นนะต้องทําให้ถูกต้องกับธรรมชาติของมันควรดูแลเยียวยารักษาอย่างไรเยียวยารักษาอไปควรรับประทานอาหารรับประทานให้มันพอดีอย่าไปทําร้ายตัวเองเอามากๆอึดอัดแน่นเนี่ยกลายเป็นเวืนาชใหม่ขึ้นมาการเป็นความทุกข์ใหม่ขึ้นมาก็ไม่ไหวอีกเนี่ย เราต้องรู้จักบริหารร่างกายออกกําลังกายให้พอหมาะพอสมพักผ่อนให้พอหมาะพอสมเมื่อทีนี้มันก็มาเรียนรู้แล้วก็ทําให้มันถูกต้องตามธรรมชาติต้องมันเ ย, ยวยารักษาเพื่ออะไรเพื่อเอามาปฏิบัติธรรมตามคามสอนของพระพุทธเจ้าให้จิตมันรู้ความจริงให้มากขึ้นเท่าที่จะมากได้หรือมันรู้ความจริงหมดจบในชาตินี้ได้ยิ่งดีนี่เราเดินตามพระพุทธเจ้าทันทีเลยอย่างเนี้ยตรงเลยตรงพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าเลย ที่วงต้องส่งจาริกไปที่นู่นที่มีตลอดพระชนชีพของวงก็คือเผยแผ่พโมจันอันนี้แหละพโมจันก็คือประกาศเรียมักนี่แหละทางนี้แหละบอกทางให้เหมือนบอกทางแก่คนหลงทางเหมือนจุดประทิบย์ในที่มืดให้มันสว่างขึ้นมาเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้มันหงายขึ้นมางายของที่คว่ำอยู่นะมันงายขึ้นมาให้มันรู้ข้างในมันมีอะไรให้รู้ให้แจ้งเนี่ยนี่ที่พระเจ้า สเสด็จไปที่นุ่นที่นีเพื่อประกาศธรมจรรยบอกทางแก่คนหลงทางแล้วเราหายหลงบ้างหรือยังเนี่ยถ้าหาว่าเราเรล่มหายหลงแล้วรู้ทางแล้วโอ้คุ้มค่าเลยนะแล้วยิ่งมาเห็นสัจธรรมยิ่งมาได้เรียนรู้แล้วลึกถึงธรรมขึ้นมากระตุ้นจิตเราเนี่แหละเป็นสังเวชมิยสถานโดยเฉพาะสี่แห่ง สังเวชนิยสถานสถานที่ทําให้เกิดความสังเวชคือกระตุ้นเตือนให้เราละลึกถึงความจริงที่มาและลึกถึงธรรมะขึ้นมามันก็กลายเป็นธรรมะสังเวชขึ้นมาแต่ถ้าสังเวชตามภาษาไทยของเราสรุปหดหูสรุป ส, สังเวชเนี่ยแต่ว่าสังเวชในภาษามคตภาษาบาลีกระตุ้นเตือนจิตของเราให้ละลึก ถึงความจริงหรือธรรมะขึ้นมาทนจึงบอกว่าเออถ้ามีเป็นไปได้อ่ะมาเท้าลกกราบไหว้บูชาสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันเป็นสถานที่กระตุ้นเตือนให้ละลุกถึงธรรมะหรือความจริงขึ้นมาละลุกถึงทางออกจากทุกข์ขึ้นมาไมายหจิตนี้ไปหลงยึดติดข้องขึ้นมานะ เพจริงๆว่าถ้าใครมาแล้วมันจึงจะได้ประโยชน์อย่างน้อยคนที่มามีความศรัทธาเลื่อมใสามาแล้วก็ได้ปีติาตาโมดเวลาใกล้จะตายพวกนี้มันไม่หายไปมันเกิดความประทับใจลึกซึ้งอยู่ในจิตใจมันจึงไปสวรรค์ได้แต่พวกเรานี่มาเอาหลักคําสอนเลยหาทางออกเลยสวรรค์ก็แค่ไปเสวย ความสุขเพืครั้งเพื่อขราวเดียวมันก็กลับมาเป็นอย่างเก่าอีกไม่ความหมายอะไรนะเหมือนอะไรได้เงินมาไปซื้ออยู่ซื้อินมามีความสุขสนทนาเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวก็ทุกขีกเดียวเงินหมดแล้วก็ต้องไปหานิ่หล่นหาเงินหาทองอีกเนี่ยมันมีที่สิ้นสุดอย่างเนี้ยสวรรค์ก็แค่ไปเฉลิมผลบุญเล็ก ๆ, ๆน้อยๆเดี๋ยวกลับมาอีกผู้เจ้าบอกหมดบุญมเมื่อไหร่ก็กลับมาอย่างเก่ากมันก็เป็นวัฏฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆ สํารวมกิจเป็นโอกาสสุดท้ายนะเหมอะกายถวายชีวิตบูชาแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ทําเหมือนก็ไม่ใช่ของเราละนี่เระบูชาอย่างแท้จริงละเด็ดขาดเลยไม่เอาและ้ะขนาดศรี้ละของพุทธเจ้าก็ยังต้องทิ้งไวที่นี่ถูกเผาที่นี่แต่ร่างกายของเรามันจะถูกเผาที่ไหนจะไปเผาที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ยังไม่รู้ไม่แน่นอน ประเทศไทยอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยเราจะตายตรงไหนเมื่ อ, อไหร่ยังไม่รู้ก็ต้องหัดวางมันซะก่อนนี่ว่าตายก่อนตายเลยวางมันเอาไว้จิตใจก็ไปแค่นํามา ท, ทําเฉยๆนะเราจะหลงฟู้งฟักให้มันมีแต่อารมณ์ดีๆจากจิตใจมันไม่ใช่หรอกเพราะจิตใจเป็นนามา ท, ทําเฉยๆเดี๋ยวก็ดีบ้างไม่ดีบ้างให้มันรู้ความจริงอีกว่าจิตใจเนี่ยมันก็ธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นถ้าในสมาธิมันเห็นนะ จิตเนี่ยเออเมันหมือนเหมือนกับมันร so. ู so ้อยู่แต่มันสักแต่ว่ารู้เฉยๆหนักอะไรเกิดขึ้นมันรู้สิ่งที่เกิดขึ้นก็สักแต่ว่าเกิดขึ้นของมันตั้งอยู่ของมันดับไปของมันไอ้เจ้รู้ก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆมันเป็นแค่ท่าตรู้ถ้าท่านเห็นได้อย่างนี้ก็เบาแล้วะเห็นได้กระทัางจิตคนตัไ่ใชของเราทิ่หลงอยู่เนี่ยไอ้เราหนงร่างกายยังเพราะว่านะคุเจ่าบอกเพราะว่ามันมันมีรูปมีร่างแต่ถ้าหลงจิตเนี่ยโอ้โห มันไม่มีอะไรอะ่ะมันหลมหลมแรงแรงฉันว่าเนี่ยแต่ก็หลงง่ายเพราะว่ามันอยู่กับเรามาแต่ตั้งแต่อ่ อ, อนแต่ออกนู้นตั้งแต่เกิดนู้นเราก็ใช้จิตทำนู่นทํานี่ก็หน้าหลงอีกอะ่ะหน่แต่ไม่ควรหลงแต่ก็หน้าหลงไหลก็ต้องปฏิบัติให้มันเห็นความจริงรู้ความจริงเห็นต้องเห็นเนี่ยตามทางของพระเจ้าจึงเรียกว่าทุกข์ขาโนทะศาม่มีปฏิปทาทางปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์หรืเรียกว่าปุถุพมจรัญ พมก็สิ่งประเสริฐจันก็คือจริยะมีหลักในการดําเนินชีวิตทําให้ชีวิตประเสริฐขึ้นก็คือนี่แหละปฏิบัติตามคำสอนของอพร อ, องค์เจ้าวันพระองค์จึงเรียกว่าบางทีก็เรียกว่าเพร ม, มะจั น, นการประพฤติพรมะจันหลักพร ม, มะจันก็คือหลักที่จะให้รู้ความจริงหาทางออกจากทุกอันเดียวกันหมดเลยเอาสุดท้ายแล้วทีนี้ให้เรา ตั้งปณิธานแน่ๆเนีน่ยข้าพเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจธรรมจนพ้นจากทุกในวัฏสงสารเข้าถึงปณิธานด้วยเถิดจากนั้นก็ตั้งใจอุทิศบุญนะรวบรวมกําลังบุญของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเข้ามาไว้ที่จิตของเราแล้วก็ตั้งใจอุทิศบุญความ อ, อนาจพระพุทธเจ้าอํานาจประทำอานาจประสง์ จงโดยมรนดานบุญของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้แก่ญาติเทวดาที่รักษาแลนนายเวียนของข้าพเจ้าให้แก่ดวงวิญญาณทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ในสถานที่แห่งนี้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองสถานที่แห่งนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กําลังต้องการบุญอยู่ในขณะ น, นี้ทุกชั้นทุกภูมิขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของข้าพเจ้าโดยเถิดเมื่อรับเอาบุญแล้วต้องการสิ่งใดก็ให้ชงความปรารถนาะด้วยอาํานาจแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศแทนแล้วนี้ เมื่อสมความปรารถนาแล้วให้ปกปักรักษาคุ้มครองดูแลช่วเหลือเกื้อหนุนข้าราชการทำสิน่นใดไม่มีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสําเร็จมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดการเดินทางของพวก ข, ออาจจข้าราชการขอให้แจ้วฟปลอดภัยราบรื่นเรียบร้อยลงตัวแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดแล้วก็ถ้าเราอยากอุทิศบุญให้ใครเราก็อุทิศบุญเพิ่มเติมได้ ใช้จิตล่าลามุตตะล่าลาพระพุทธเจ้าทําได้อันนี้การทำจิตมีกําลังอย่างหนึ่งนะการที่ใช้จิตเราทําอะไรตามที่เราต้องการได้แทนที่เราจะปล่อยใจเลื่อนลอยเราไม่ปล่อยนี่มีใช้จิตสุดใช้จิตอย่างเนี้ยใช้จิตในการทําจิตต่างๆแม้แต่จะเดินทางก็ล่าลาสถานที่ล่ําลาสิ่งแวดล้อมที่นี่วันนี้พอแค่นี้นะ